อุ้บิ الله من الشيطان الرجيم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فتقون والذي نجتنا وا بطهوت أي يعبدوها وأنا بو إلى الله لهم البشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولئك الذين هداهم الله وأولئكهم و ل الأدب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ ك َ ل ِ م َ ة ُ الْعَذَابِ أ ف أ ن ت ُ ن قزما في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. ต ت เจริมในทั่วที่เขาแอนฮาร์ว่าดัลลอฮ์ลา يخلف اللّه الميعاد اسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره วนาอุบิล ر ั و ر ن มิ ن س ชัลร ن َ م อัมฟุสินะวมิ่นไ ع ย م َ ا ل ِ ن َ ا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مضلله وما يضلل فلا ه د ي َ له و ل ل ه له ش ه د إ إ و ه لا ه د د ْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمداً َ ب د ه ورسوله اللهم بيك أصبحنا وبكأمسينا و ب ك ن ح ه ي وب ا وبكنموت وإليك النشور أعوذ ب ك ل م ا ت الله ا ل ت ا ما ت م ن ش ر ما خ ل ق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله ا ما إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ر ب บ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في ب د ن ي وعافني في سمعي وعافني في بصري اللهم ب ك أ ص ب ح ن ا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين اللهم فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة رب كل شيء ومالك ش د ا ا ل ل ا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر ش أ ي ش ا ن وشركه وأن أقتدي ف ل ا نفسي س و ا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا نفسه و ز ي ن ة عرشه ومداد كلماته ا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ประทับใจลิลละพี่น้องที่ร่วมนมาสโบร่ที่มัสยิดอันวาลิสุนนะและพี่น้องที่ติดตามรายการสวรรค์นในบ้านนะครับเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านที่รักทั้งหลายครับอระทับใจลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลานะครับที่อัลลอฮฺให้เราเกิดมาเป็นเป็นมนุษย์ ไอ้ที่ดีกว่าคือเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอ์เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์โดยมีท่านนบีข้อมัดเป็นนบีคนสุดท้ายซึ่งเราเรียกว่าสุนนะเนี่ยเอามาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตของเราสุนนะนบีนี่พูดถึงเรื่องโควิดเอาไว้เรื่องโรคระบาดนี้ไว้ เมื่อโรคระบาดมาเนี่ยท่านนาบีสอนเองพูดแล้วว่าเป็นคือท่านหญิงอ้ายชาเนี่ยถามก่อนถามท่านนาบีบอกว่าเมื่อหนึ่งพันเศลร้อยปีบอกว่าโรคระบาดนี่คืออะไรนบีตอบบอกว่าเป็นอาซาบุนของที่นบีพูดในตรรัสงจริงทั้งหมดนะนี่เป็นการเป็นการลงโทษชนิดหนึ่ง อยู uh ่อัลลบุมัยอาชือัลลอ์ลงโทษผู้ที่อัลลอ์ทรงประสงค์ไม่ได้บอกว่าใครผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จะลงโทษใครแต่สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยให้มองโรคระบาดนี่เป็นรอฮมเป็นความเมตตาให้มองเป็นเมตตาเราจะไปด่าโรคระบาดเนี่ยไม่ได้ ถ้าเดินตามคําสั่งของท่านนาบีสบายใจมองเป็นรักมาแต่เราก็ต้องรักษานาบีสอนว่าวิธีการรักษาตัวเองไม่ให้ถูกโรคระบาดนี่ให้ทําไงครับย้ํากุซูฟีใบที่ฮีให้กักตัวอยู่ที่บ้านกระทรวงสาธารณสุขก็มาบรรยายต่อคงไม่รู้รอ ว, ว่านาบีสั่งนะ <c oughs> คงไม่รู้ว่านาบีสั่ง อิสลามสั่งให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะไม่รู้เสร็จแล้วก็กักตัวกี่วันสิบสี่วันนบีสั่งว่ากักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้บอกจำนวนแต่มีเงื่อนไขสองอย่างซอบิรอนต้องอดทนข้อที่สองมฮตสิบันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ด้วยคนที่กักตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดเยอะ ฉันจะตายเนี่ยรอดหรือเปล่าแล้วนี้ก็สั่งต่อไปอีกถ้าเกิดเป็นโรคระบาดแล้วรักษาตัวแล้วอย่างดีแล้วนะกักตัวแล้วใสหน้ากากแล้วเนี่ยทานยาแล้วยาสมุนไพรไทยเนี่ยดีที่สุดแต่เราฟังจากอะไรอนะ่ะเฟซเฟซบุ๊ไลา์บาง จากไราอาไรวางแสก็เข้ามาสมุนไพรไทยนี่แหละฟาทะลายไรนะฟาทะลายโจดตีที่สุดแล้วก็เวลาเราเป็นเนี่ยนะต้องบอกให้คนรู้ด้วยนะคือเขาจะต้องไม่เข้าใกล้าหาเราถ้าเราไม่บอกให้ใครรู้ผิดนี่หลักการอิสลามนะต้องบอกให้ชาวบ้านก็รู้อย่าเข้ามากล้าฉั น, ฉน กำลังมีโรคอยู่แล้วก็ไ ม, ไม่ประกาศให้คนรู้แล้วก็เดินไปหาคนนั้นไปสลางว่าคนนี้ไอ้นี่ผิดย่างไรเป็นการกระจายเชื้อโรคต้องให้เก็บตัว อ, อย่าออกข้างนอกเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารักษาตัวแล้วก็เกิดตายขึ้นมาเนี่ยผลบุญทับประตายอะไรชหี้เห็นยัง เจท่านผู้อย่าไปกลัวอะไรเยอะพี่น้องถ้าเราจะให้ตายตายแต่ก่อนตายต้องรับดูแลรักษาตัวเองให้ดีขอดนุอาอย่างนี้ผมขอทุกวันครับวันนึงเป็นสิบเป็นร้อยตะกี้ก็ขออัลลอฮฺของเราอินนีอองซูบิกามินัลบาโรสิวลจูนูนิวลจูดามวามินยิลอัสกอมโควิดขอภาษาไทยก็ได้ขอความคุ้มครองให้้พนจากโรคระบาด โควิดไหนตี 19, จากตัวของฉันครอบครัวของฉันลูกๆของฉันห ล, ลานๆของฉันญาติพี่น้องของฉันหมู่บ้านฉันพก็มาถึงพี่น้องมุสลิมอทั่วโลกอย่างนี้เป็นตน้นผู้ศรัทธาตอนเราขอใจกว้างก้อนอย่าไปแคบขอเฉพาะฉันบ้านเดียวอะบ้านอื่นปล่อยไปไม่ได้ไม่ใช่ต้องขอให้หมดเลยครับขอบคุณเราละ่ะนะเราไม่ได้หยุดสอนตับซีสอนตับซีบนี่มันเป็นความรู้นะ่ะ และเสียงอาจารย์เนี่ยต้องมีทุกวันน บ, บีพูดละเสียงอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยชายตอนมันหนีใช่ไหมวิ่งหนีเนี่ยในฮะดีสบอกว่าหายลมด้วยวิ่งอย่างแรงเลยเพอเสียงอาจารย์จบมันก็จะกลับมาที่ประเทศอินเดียเนี่ย อินเดียนี่เรื่องการทะเลาะ ก, กันระวังฮินดูมุสลิมมีมานานแล้วที่มสัสยิดบาบารีเนี่ยฮินดูมาม า, มาทำลายแล้วต่อมามีการโรกเนี่ยระ บ, บาดไปทั่วอินเดียบ้านที่มีเสียงอาดานบ้านนั้นไม่มีการลโรกบ้านมุสลิมสิบ้านที่มีน้ำาดมีเสียงอาดาน แท่านมัสยิดที่ถูกปิดในอินเดียในฮะิรูไปขอร้องให้เปิดเปิดเธอเปิดเธอเพราะสามารถปกป้องโรคโควิดได้ในยุโรปวันนี้โรคโควิดมาเขาไปส่งกล้องดูเสียงอาจารที่ออกมาเนี่ยเวลาส่งกล้องดูนะเชื้อโรคโควิดนี่นะมันเล็กนี่มันตรงกับที่ท่านนะบีสอนเวลาได้ยินเสียงมิวสิเสียงดนตรีเนี่ย ไอ้โรคระบาดอันนี้มันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นฉะนั้นเขาก็ขอร้องบ้านมุสลิมให้มีเสียงอาญาเยอะๆที่โซลามีเสียงอาญาตามถนนทนทางมีเสียงอาญาเพื่อโรคระบาดอันนี้มันจะได้หายไปแล้วก็บอกขอร้องให้ปิดเสียงดนตรีขอร้องทำไมตะเพิสสิเนี่ย เราในเสียงดนตรีเราก็พูดกันมาแนะนํากันมาว่าอย่าเอาเสียงดนตรีเข้าบ้านนะเพราะว่าไสตอนมันเข้ามาในบ้านก็ไสตอนก็คือโรคระบาดนี่แหละาจะตีความหมายเป็นไสตอนเป็นโรคระบาดได้ไหมได้ครับแต่เราพูดนบีพูดครุมหมดเลยไสตอนจะมีเป็นตัวนั้นน้มานจะขาดครับอ่านอลกรุรอานสม่ําเสมอวิคราล้อนสม่ําเสมอขอยดูอาสม่ําเสมอทําความทีสม่ําเสมอ เราขอทูลขอร้องให้ห่างไกลจากโรคเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนลองร้อนนะครับเราอ่านมาถึงสุร้อนสุมาสุมาสไม่แปลว่าอะไรที่มันลืมไปแล้วอ่าสุมาสแปลว่าอะไรนะสุมาสแปลว่ายะมาออ่ากลุ่มชนอ่าจะว่าแต่ว่ากลุ่มกลุ่มชนต้องการจะเล่าบอกว่าในวันเกียร์มาเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มจนนั้นแหละ กลุ่มมุมินกับกลุ่มกาเฟร์รกลุ่มมุชริม ก, กลุ่มมุมินนี่จะถูกจะถูกนะถูกเชิญถูกเรียกให้ไปสวรรค์แต่สุมาศของกลุ่มกาเฟร์นี่ถูกต้อนไปไหนไปนรกนี่อธิบายชัดเจนไม่ได้แค่ไครด้วย ใครไม่เชื่อก็เรื่องเองไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกแต่เจอนู่นหลังตายไปแล้วเนี่ยเรื่องชีวิตหลังตายหมดเลยฉะนั้นเราเนี่ยมาเรียนสุรมุมาวันนี้มาถึงอายาที่สิบหนะครับขอเท้าความนิดหนึ่งเมื่ออายาที่เก้าของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ อาฟัมอัมมันหัวควานิตุนอาณาอัลไลลิซาจิดาหัวควาอิมายั่งจารุลอาคุรอติวยาดูราะห์มะต่อรับบิอัของอาทิตย์ที่แล้วนะแปลว่าผู้ที่พักดีต่อละมาถึงยืนนมาดเนี่ยนะอาณาอั ล, ล, า ย, ลยามกลางคืน เด็กคนจะลุกขึ้นนมาดยางกลางคืนนะกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มผู้ศรัทธาต่อร้อนแขกธรรมดาก็งคนไม่ขึ้นรักแต่คนที่มีอี إ ي ่านต่อร้อนที่เรียนกุณอานที่เรียนตับซีนเนี่ยมีตักวา่ามี إ ي م านมีตักวา่ามียาตีนมียาสาเขาจะลุกขึ้นนมาแต่ฮัตยุสกันลุกขึ้นนมาแต่ฮัตยุดเนี่ในคุณอานอธิบายยังไงหรือไหมยะสลุลอัค ร, ร์นึกอะไร ตอนยือนมานะักนึกอะไรก็คือกลัวการลงโทษในโลกอาลลอฮ์นึกแค่นี้ข้อที่สองยัรดูรอห์มาตอรอบีหวังความเมตตาจากอัลลอ์ที่เราทำความดีเห็นไหนึกแค่นี้แหละใจไม่ลอยถ้าเป็นนึกอย่างอื่นเนี่ยใจลอยหมด <c oughs> นี่ใครสั่งอัลลอฮ์สั่งอะ่ะ สามผู้ศรัทธาต่อรองให้ลูกขึ้นนมาแต่หันยุดไม่ได้บังคับด้วยนะผู้ใดที่อ่ายืนสแสดงตัวเป็นบาวที่ดีของรอดด้วยการยืนสุญูดก่อนแล้วก็กอรออิมานที่หลังใช่ไหมสุญุดก่อนใช่ไหมเพราะสุญูดเป็นท่าที่สวยที่สุดนะเราวัวใจนึกอะไรครับกลัวการลงโทษในโลกอาคีร่าแล้วก็หวังความเมตตาจากอัลลอฮ ที่ทำความดีอันนี้ <c oughs> ที่เรานำมาที่อ่านกุอ่านที่ทกรุลลที่ใส่แมสเนี่ยขอความดีจากเัาเล่าช่วยหัวใจต้องนึกแบบนั้นนะครับที น, นี้มาดูอายาที่16ของวันนี้ก็คือเรื่องนรกเรื่องนรกครับแล้วมิมฟาคิมจูลลุมินันนาร ومن تحتهم ظ ل َ ل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد ف ا ت ُ و ن لهم من فوقهم ظ ل َ ل ُ ل ا ل من النار ومن تحتهم ظ ل ل ذلك ยุขวิฟَุลาหุบิหิอิบบาด ه ยาอิบบาดิฟตักَูอัลลอฮฺบะบร์ดเนี่ลร่อนเล่าเรื่องภาพของชาวนรกแล้วคนตกนรกเนี่ยน้อยหรือเยอะชื่อชื่อซุรล่อนเนี่ยซุมัต์เนี่ยเป็นกลุ่มนะกลุ่มใหญ่นะตกนรก อยู่ในนรกเนี่ยเราเล่าให้ฟังลาหุมแต่ว่าสำหรับพวกเขามิมฟาวกิฮมฟาวกุนแปลว่าเหนือพวกเขาข้างบนพวกเขาอ่าเหนือพวกเขาจูลันมีที่คลุมเดิมันจูลันี่ยแปลว่าเงา เดิมนะซูลันเนี่ยเป็นยะมะของเป็นพหูพจน์ของคําว่าซุลลาตุนซุลลาตานิซุลัลแปลว่าเงาหลายเงานะรู้ป่าว่าแปลที่คลุมนะครับที่คลุมจากอะไรครับมินานาซุลลรุมมินันนามีที่คลุมมีเงาจากอะไรจากไฟนรกคลุมอยู่ บนหัวของเขาแปล ง, ง่ายๆสบายหน่อยเหนือพวกเขาหน้นมีไฟคุมอยู่โอโลอััอยู่ในไฟอยู่แล้วยังมีไฟคุมไฟอีกโอโลอััเหนือทิศาะวันไโถงไปเจอไฟอีกคุมอยู่กำลังข้างบนก็มีมีไฟพูดภาษาให้พรอก็คือเหนือพวกเขาก็มีมีไงนะ มีไฟคลุมอยู่ต่อมาครับวามินตัดตีหิมและเบื้องล่างของพวกเขาก็มียุลัลมีที่คลุมเหมือนกันโอลโลวักว่าไอ้คลุมข้างล่างเนะี่ยหมายจะหมาถึงลน <c oughs> ข้างล่างนี่ลนข้างบนก็ค ล, ลุมโอโลวักว่าคลุมทั้งข้างล่างั้งบนนี่เล่าภาพในสวรรค์ในในนรกให้ฟังไม่กลัวประเชิญไม่มีปัญหาหรอก ไม่กลัวก็เชิญทำความชั่วไว้เจออ่าฉะนั้นลาหูมิมเฝ้ากิหิมซูละลุมมินันนัดวะมินตะฮ์ติหิมซูละลสำหรับพวกเขามีเปลวไฟคลุมเหนือพวกเขาและเบื้องล่างของพวกเขาก็มีเปลวไฟล้นอยู่เหนาสุบิลาหิมินซาลินี่เป็นเรื่องจริงครับอัลลอฮฺเล่านาบอฺเปรียบนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับ ผ่านท่านน บ, บีผ่านยิบรีมาให้มันมาสอนน บ, บีให้น บ, บีมาตั้มเรียกมาสอนพวกเราวันนี้เราก็อ่านพบแล้ววันนี้อะลฮัมดุลิลละต่อมาครับザลิกโดยสิ่งสิ่งนั้นแหละที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะสิ่งนั้นแหละอยู่เข้าวีพมาจากเข้าฟุนแปลว่ากลัวถ้าอยู่เข้าวีพูดแปลว่าครูให้กลัว ในครูให้กลัวอย่างเดียวน่ะยังไม่ได้เห็นจริงๆนะที่มามอ่านมือตะกี้เนี่ยเห็นจริงนะเวลาตาเราเห็นหมดเลยนะอินุลยากรีบฮักกุลยากิีเจอในหอนอนอยู่ในกุโบนะเจอหมดแล้วเนี่ยนรกก็มีจริงเห็นภาพมาจริงแบบนอนฝันเห็นนรกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนอนลเหร นอนอยู่ในกโบอนไม่หลับนะเพราะว่าเช้าก็จะเห็นนรกแบบฟาโรฟิโรนเห็นทุกวันวันละสองมือเช้าก็เยอะตะวันตกทีหนึ่งเห็นทีหนึงตะวันขึ้นทีเห็นทีหนึ่งเห็นนรกครับละนีก็อยู่ข้าวอฟุลลอฮฺบิฮิอิบะดะฮฺอิบาดะเปว บ, บ, าา บ, บ, า บ, บ่าวขาวอยู่ข้าวอิฟุเะว่าทำให้กลัวอืม และสิ่งนั่นแหละที่อัลลอ์ทรงทำให้พวงเบาของพวกองค์กลัวโทษของคนที่ทำชั่วอย่าไอบาดีพวงเบาของฉันเอย๋ยฟัดจปูนจงสรวมตนต่อฉันเถิดจงกลัวต่อฉันเถิดกลัวอัลล อ, เอ์เถิดในในต้นสุดอธิบายอย่างนี้นี่นะ คาว่าตักวากับอีมานเนี่ยไม่เหมือนกันอีมานเนี่ยที่เรามามัสยิดเนี่ยเพราะแรงอีมานที่เราอ่านกุรานเนี่ยแรงอีมานที่เราบริจาคเนี่ยแรงอีมานที่เราให้อภัยหาเงินให้ภรรยาชายให้ลูกช้แรงอีมานทําตามที่น บ, บีสอนเรามามัสยิดแรงอีมาน เราทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยแรงอีมานเราไม่เราติดต่อกับเครือญาติแรงอีมานเมส่วนตักวาเนี่ยเราไม่กล้าทำความชั่วอย่างเรามีพี่น้องเราดา่าเราตาหนิเราว่าเราเราไม่โตอตอบเพราะเรามีตักวาต่างกันนะอิมานกับตักวาไม่เหมือนกัน ตักวา่าเราไม่กล้าทําความชั่วส่วนอีมานเราอยากจะทําความดีตักวา่ามีคนมาด่าเราเราให้อภัยอลัลลอฮฺจะพูดตักว่าเยอะมากเดี๋ยวก็ตักวา่าตักวา่าตักว่าได้มาอย่างไงหรือเปล่าการถือสิีลอดเนี่ยทําให้ตักว่าเพิ่มการถืออัคกุรนันยาอายุฮัลลนละีนอามานุกุติมาเลยกมุสิยม กมากุติมาลลารีนัมิงกอบลิกุมลาลลกุมตัตตะกูนถือสัญโอดเนี่ยเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีตัควาเพิ่มเห็นไหมะจะได้การเถือสนโอดในวันจันทร์วันบุรษาตวันที่๙ที่ผ่านมาก็ถือก็ใช่ไหมอ่านั่นแหละตัความันเพิ่มพอตักวาเพิ่มเนี่ยใครด่าเรามาเราให้อาภายัยเห็นไหม เราไม่ทำบาปเราไม่ดา่าคนนั้นเราไม่ทะเลาะกับคนนี้อัลลอว่ า, ว า, วาธรรมดาเนี่เราเคยเถียงคอเป็นเอ็นนะแต่ตอนนี้อัลลอหัวใจนิ่มนวลยกโทษให้อภัยนี่ผลจากการตักวางบนเลยอ่ะทีนี้การลงโทษของอัลลอเนี่ยอยู่อยู่อ ย, อยู่อยู่ในไฟนรกเนี่ยนอกจากไฟนรกก็มีอีกนะเช่นอะไรบ้างแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วม แล้วก็ฝนตกเยอะๆแบบสมัยนบีนัวนะก็นัน้นนำไปการลงโทษจอนร้ทั้งหมดเลยในอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้ น, นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับคนในนรกอธิบายนิดหนึ่งคนในนรกเนี่ยชายที่เยุะนะเพราะร่างมันใหญ่เราวยในโรกบ้างเลยเล็กน้อยนะนรกเนี่ยร่างมันใหญ่เรียกว่า ตักบบรุลอับดานในฮัดดิขออิมามตอบรอนีบอกว่าล่างมันใหญ่หนังนี่นะรผิวหนังของชาวนรกเนี่ยเดินสามวันถึงจะพ้นสามวันเนี่ยผมถามชาวบ้านเดินสามวันในกรุงเทพเชียงใหม่นะนั่นหนังของชาวนรกหนาหนาขนาดนั้นข้อที่สอง ฟันฟันของชาวนรกเนี่ยพอๆกับภูเขาอุฮุดี่น้องไปทำ พ, พัดนะมองที่ภูเขาอุฮุดนะนั่นแหละฟันของชาวนรกในฮะดีษอิบอิบนุมาจาแต่สถานที่นั่งนั่งคนเดียวนี่นะอินนัมมาจุลิสาหูมินันมินจานนัมมาใบนัมมากะวะลมาดีนะฮะดีษก็อิมามติรมิรีที่นั่งของคนคนเดียวของชาวนรกนะกินที่เท่ากับมะกะกับมาดีนะ <ๆ>นั่รรถกี่ชัวโมงนะสามสี่ชุวโมง<ๆ>นั่นนะยัง ก, กับนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้อ่าแล้วก็ระวงังเนี่ยไหลไหลกาเฟสเนี่ยว่าไหลานี้กับกับวไหลนี้นี่นะมัสยิรตุซาลาสัติอายามิลรอคิบุลมุสรยิยาด้ความมุสลิมวิ่งด้วยยานพาหนะที่ไวๆเนี่ยสามวัน ใหญ่กว่าหนังอินนะใหญ่ใหญ่กว่าหนังนะเฉพาะไล่นี้กับไลนี้ของชาวนารกนะ่ะวิ่งด้วยยานไวไวนี่นะ่ะเอาม้าไวไวก็ได้วิ่งสามวันโอ้โหอยากจะเห็นภาพมาชาวนารกไปดูในวันเกียมม <laughs> นรกมีจริงครับเอามาดูอาหารอืมมันมีอาหารกับเครื่องดื่ม ไม่ใช่ทัดีนาะเนี่ยเนี่ยเล่าให้ฟังนะเพิ่มเพิ่มมีอะไรบ้างชะรอบเครื่องเดือมมีน้ำเดือดสองมีน้ำหนองมาอุลสดีสามมาอูนกันมุฮลิเหมือนน้ำน้ำทองแดงโอ้โหอัคบาสกอสราบน้ำเหลืองแล้วก็เหงื่อของชาวนรกมีตีนจุล ขบานมีหนึ่งมาอุนซอมีมน้ำเดือดสองมาอุ่นซอดีดน้ำหนองสา ม, มาอุ่นกันมูลเมนนิเหมือนน้ำทองแดงเหมือนน้ำทองแดงวัสซ่าคอทีสีน้ำเหลืองตีนตุลคยบา้าเหงื่อของชาวนรกมีอยู่ห้ารายการเป็นเครื่องดื่มของชาวนรกนี่เล่าให้ฟังก่อนความจริงเราก็ผ่านมาแล้วเรื่องนี้แต่พูดใหม่นะครับ แล้วก็คนที่ไม่จ่ายไม่จ่ายมีเงินมีทองไม่จ่ายสะกาศไม่ดูแลคนยากคนจนเงินของท่านนั้นจะมาพันคอของท่านพันตั้งแต่กูโบโลแล้วนะเราเงินจะพูดว่าอนามาลุกะอนาการลุกะฉันนี่เป็นทรัพย์สินของท่านฉันนี่เป็นครังของท่านที่เอาล่อให้กับท่านมาท่านไม่ยอมจ่ายอะไรเลยไม่ยอมจ่ายช่วยใครในสังคมนี้เลย โอ้ฉะนั้นการบริจาคแค่เล็กๆ น, น้อยเนี่ยช่วยให้ท่านปลอดภัยจากไฟนรกได้นะครับอ้พระอรหันต์นะอืมเอาอิสลามประชาเต็มชีวิตประจำวันนะอืมอ่ะต่อมาอายะที่เท่าไหร่นะอายะที่ 19.17 ครับวัลละทีนัจจานาบุตร อ, อูตไอยะบุดูฮะ وَأَنَا ب ُ إلَى اللَّهِ ل َ ه ُ م الْبُشْرَى ف َ ب َ ش ِّ ر ع ِ ب َ ا د َ و ا ل َّ ذ ِ ي ن َ جَتَّنَا ب ُ ط َّ ا غ ُ ت أَيَعْبُدُهَا وَأَنَا ب ُ إلَى اللَّهِ ل َ ه ُ م ا ل ْ ب ُ ش ْ ر ى ฟาบาชีร์ ه, Allah, นะอิบั alhamdulillah Allah n ล l a h e f a มาดูกันแปลกับอิจตานาบูอ่าอิจตานาแปลว่าละทิง้งพวกเขาละทิง้งหรืออิจตานาบูแปลว่าออกห่าง วันละนีนะส่วนบรรดาผู้ที่ละทิ้งหรือออกห่างสามารถทําได้เ่ยที่อลัลลอฮ์เล่าเนี่ยไม่จ ร, จริงทั้งหมดเนี่ยผู้ใดที่ละทิ้งหรือออกห่างซึ่งเคยปฏิบัติมาแล้วก็ตามเดอะแล้วก็ต่อมามาทิ้งมาออกห่างออกห่างอะไรครับต่อวูดต่อวูดเนี่ยแปลว่าในตับซิดอธิบายว่าชายตอน ใครที่ออกห่างสายตอนและตอวูดอีกคำหนึ่งแปลว่าเจวิตเจเวิต ร, รูปจเจวิตต่างๆรูปกาบทั้งหมดเนี่ยใครที่กาบต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นจเจวิตใครที่กาบหินหินก็เป็นจเจวิตใครที่กาบน้ำอะไรน้ำปลาไหลน้ําเมือกปลาไหลก็เป็นจเจวิต ใครที่ออกห่างจากเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องตอรูเรื่องไทยตอนทั้งหมดเนี่ยนะอายาบูดูฮะในการที่จะเคารพพักดีมันคือไม่เคารพพักดีอ่าไม่เชื่อไม่ศรัทธาแลยออกห่างจากเรื่องตอ่อรูทั้งหมดเรื่องจเวิตทั้งหมดเรื่องไทยตอนทั้งหมดออกห่างหมดเลยนะไม่กราบใครเลยพ่อแม่ตัวเองก็ไม่กราบด้วย เพราะอัลลอฮ์สั่งลูกมีหน้าที่เชื่อฟังปฏิบัติตามพ่อแม่ถ้าพ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอใจ อ, ล, ล, อ, ใจอลามสอนชัดเจนเลยไปน้องไม่ให้กราบไม่ให้กราบใครทั้งนั้นแหละนะครับบนโลกใบนี้ยกเว้นอัลลอฮ์องเดียวนี่อัลลอฮ์ล่าให้ฟังว่าวันละีนาจะตาบุตวูดอายาบูดูฮะบรรดาผู้ที่ละทิ้ง มานหรือไซต์ตอนในการที่จะเคารพพักดีต่อมันหรือคนที่เคยเคารพพักดีมาแล้วก็วตามวันนี้วาอาアาบูอิละลอและพวกเขาเนี่ยหันสู่หรือว่าเลิกแล้วก็หันเปลี่ยนนิสัยใหม่เปลี่ยนความรู้ใหม่เปลี่ยนอัครากใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ หันมาอะไรครับหันมาอิละลอหันมาศึกษาคาหาความรู้เรื่องอัลลอฮ์เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จักคําว่าอัลลอฮ์เลยที่ท่านนาบีมุฮัมมัดถูกไล่าจากนาครมกักกะเพราะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะพวกญาติพี่น้องนบีเนี่ยอบูตอเลบอบูละฮับอบูยะฮิลอบูยะฮันเนี่ยกราบเจวเท่าไหร่สามร้อยหกห้าใช่ไหม อยู่ในอยู่ในกาบ้านะแล้วก็พอนาบีอพยพจากนครมัการนะสอนสอ น, สอนไม่ได้ด้วยนะเองไม่มีสิ่์สอนนะแต่นาบีพยายามนะกลับมายึดนครมัการพอมายึดเสร็จสิ่งแรกก็คือให้ท่านอบูบัฟเราเดียวออนันนเอาเจ้าเวทออกจากกาบบาห้หมดเห็นไหมนั่นเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเองค่อยๆทําด้วยนะ มาได้ทำแบกห่างโหม่ไม่ได้ทำแบบค่อยๆนิ่มยึดตะครมั ก, ก้าก่อนบอกท่านบุกว่สกิดเคลียร์ออกให้หมดเอาจจเวทเคลียร์ให้หมดเป้าหมายไม่อยู่ตรงนั้นนะพอเคลียร์เสร็จแล้วก็ต้องสอนตงองอ่าจจเวทนี่สามร้อยห้าสิบหกสิบองค์นั่งช่วยอะไรไม่ได้นะผู้ที่ช่วยให้รอดคืออัลลอฮ์พวกนี้มันก็ สำนีนบีอลลัลลอฮ์เราเนมีพระเจ้าตั้งสามอยหองค์นะ่ยมันดีอยู่แล้วมัวหมัดมาสอนให้เหลือองค์เดียวดูดู ด, ดูมันทำสิทำได้ยังไงเนี่ยมีหลายองค์นะ่ยมันช่วยกันไม่ดีหรือองค์นี้ให้แดดองค์นี้ให้อากาศองค์นี้ให้อาหารองค์นี้ให้ลูกองค์นี้ให้โ น, น่นโอ้ช่วยกันหลายหลองค์มันดีใช่ไ้มล่ะอั น, นความคิดของเองอะ แต่ความคิดของมูฮัมหมัดไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮ์รับผิดชอบทั้งหมดจะให้ลูกก็อัลลอฮ์ให้รีสกีก็อัลลอฮ์ให้ตายก็อัลลอฮ์ให้ใครไม่มีลูกก็อัลลอฮ์ไม่ให้แต่งงานก็อัลลอฮ์ให้แต่งงานก็อัลลอลลอฮ์ทั้งหมดนี่อิสลามครับศา ส, สนาเดียวต้องยึดอัลลอฮ์อัลลอฮุ่สมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งในทุกรายการเลยนจะให้โรคโควิดนี้หายขอโทษอัาาลลอฮ์สิอย่างอื่นไม่หาครับ เรากินยารักษาไปพออบบีสั่งหรืกุลรีดาอินแต่ว่าทุกๆุโรคมียารักษาครับก็หากันชาปัญญาสติปัญญาเดี๋ยวรอให้มาหมอก็รวยพิเศษตัวนี้คนขายฟ้าทราจนจักรวยขิงนี่ขานี่แต่ไข่นี่กินเยอะๆสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยนะอย่างนี้โดนขึ้นราคาแล้วพี่แม่บ้านเล่าว่าขึ้ น, ร, นอรออร้อ อาต่อมาครับวันแรกน่จะตั้นบุตออูดอายังบูดูหะและส่วนบรรดาผู้ที่ละทิ้งละทิ้งตัวมารละทิ้งไซตตอนในการที่จะขอรบพักดี ต, ต่อมานนั้นว่าอาณาบูแล้วก็หันสู่อัลลอฮ์เรียกว่าตาบ้าตัวก็ออัลลอฮ์าบางคนตาบ้าตัวพาะภรรยามีไหมมี ไปแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมะ啊แต่แต่งงานกับได้รู้จักอลลอบางทีก็มาแต่งกับผู้ชายที่มีศาสนาก็ทำให้อหมานมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะหรือมาฟังศาสนาที่มัสยิดหรือฟังทีวีหรือฟังไลฟ์อะไรอะไรก็ตามแต่นีสื่อเยอะตอนนี้ใช่ไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองบานาบูอิลลอหคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้เนะี่ยมีรางวัลอะไรลาหูมุลบุชรอ บุชราแปว่าข่าวดีละหุมสำหรับพวกเขามีข่าวดีอ้าวข่าวดีอธิบายยังไงครับข่าวดีอธิบายอย่างนี้เวลาคุณนอนใกล้จะตายดี๋ยวนไม่ได้พะงาบพะงาบอยู่เนี่ยจะตายอยู่แล้วอยู่ห้านาทีเนี่ยหมอบอกลุงลุงยาหมดแล้ว รักษามไม่ได้แล้วนะจะ ต, ตายกลางถนนหรือริมถนนตายที่สนามหรือไรนรง จ, จะตาที่ห น, นก็ตามแต่ถ้าเรามี ม, ม, มีมีอัลลอ์อยู่ในใจมีอีมานมีตะความียาตีนมียาซละเลิกทั้งหมดเรื่องใซ้ตอนทั้งหมดนะข่าวดีก็คือตอนวิญญาณคุณจะออกจากร่าง ขุออ่านทธิบายอย่างนี้อะไ อ, อีกนะอ um al ินน ah ah ัลลอีนะกะลอรับบุน e. <ś c oughs> ัลลอฮุซุมมาสตักามูต่านะั้นะลงมาิมุลมาละอัลลอฮจะให้มาได้ารลงมามาเอาวิญญาณคุณนั่นแหละมาแบบไหนครับมาปลอบใจสามเรื่องลาตะขอฟูไม่ต้องกลัวอาเมเชื่อลองตายดูวลาตฮะนไม่ต้องไปกังวลเรื่องข้างหลังเรื่องข้างหน้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัว เรื่องข้างหลังไม่ต้องกังวลว่าอับชิริบิณันานี่ข่าวดีคุณข่าวดีได้ไปสวรรค์ตอนจะตายครับเอาได้ไหมเอาถ้าไม่ตายไม่รู้ตอนตายถึงจะรู้แล้วคนเป็นไปไหนจะใครรู้บ้างอ่ะเอาลอเก็บเงียบหมดเลยเองไปถามคนตายเล่าไม่ได้ Allah, อัลลอฮะกบเยังครับที่อัลลอฮสัญญาใงกีกุรานคนที่ทิ้งไม่เคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮหันมายึดอัลลอฮองเดียวปฏิบัติตามสุนนะนบีรูปแบบของท่านนบีที่ให้ไว้เหมือนบรรดาสวาบะท่านอับุบักัรอุมัดอุสมานอลีที่ปฏิบัติตามนบีนี่นะละมุลบุชรอสำหรับพวกเขามีข่าวดีตอนจะตายครับ เราส่งมาลายิกามาปลอบใจาสามเรื่องเรื่องที่สองนอนอยู่ในกุโบไม่มีอาสาบใดๆทั้งสิน้นไม่มีการทรมานเอาได้ไม่เอาเอาเธอ <c oughs> คนคนอ่อนแออย่างเราเนี่ยและสะสมเงินทองไปทําอะไรมีทองเป็นพันกิโลทําอะไรอะ เวลาตายแล้วน่ะเราก็สังเกตใช่ไหมพี่น้องเราตายเนี่ยเอาหมอนอย่างดีใส่มาจากบ้านใช่หรือไม่ใช่ใชพอจะฝังจริ ง, รงๆเขาเอาหมอนปเปล่ า, าหมอนน่ะยังไม่ให้เลยเอาอะไรมาใส่แทนครับดินข้างๆไงดินยห็นอย <laughs> ่งครับถอดออกหมดเลยเอาดินใส่แล้วไปลงอะไรทางหนาเช่แหละ มี إيمان ตากลลามียาตินมียาสานอิคล่ากิตักวานูนนุนเป็นลงเรื่องนั้นน่ะอ่านคุรานี่สม่ำเสมอคือกลลอสม่ำเสมอให้อภัยคนสม่ำเสมออย่าตะมียอย่ทลลอกเมีดูแลภรรยาให้ดีภรรยาก็อยาด่าสามีเยอะต่างคนต่างดูแลปกป้องตัวเองนี่คือวาตตกวานใช่ไหมเอาตกลงว่าคนที่ออกห่างจากไซต์ตอนนะแล้วก็หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ บาเบิบจมีอยู่ตาบาตุห้หมดนะลาหมุลบุชรอสาหรับพวกเขานั่นคือข่าวดีใช่ไ ห, ไหมในวันเกียร์มาแน่นอนที่สุดอลัลลอฮฺจะเชิญกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆในเชิญเข้าสวาาาาาาารรค์ใช่ไหมแล้วกลุ่มเลวๆก็รอต้อนลงนรกใช่ไหมนี่มันเรื่องจริงอลัลลอฮฺเล่าอีกฟาบาชุดลังอับีฟังโมมาเดยฟาบาชุดจงแจ้งข่าวดี ไอบาปปวงเบาของฉันเล่าเั่องอิสลามนี่แหละสอนเรื่องอิสลามอัลลอฮ์มีองค์เดียวมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายคำสอนที่ผ่านนาบีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดเพราะนบีเป็นบุคคลตัวอย่างอัลลอฮ์หัวใจผมมีหนังสือรุ่นแรหนึ่งอธิบายดีมาก อะไรนะสุนทรนาบีแอนโมเดิร์นสายสุนทรนาบีกับวิทยาศาสตร์เข้าไปวิเคราะห์กันนะได้อะไรนอนตะแคงขวาทำให้สุขภาพแข็งแรงให้อภัยกับคนเยอะๆสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมละ่ะใช่ให้อภัยกับคนเยอะๆยิ่งบริจาคยิ่งบริจาคยิ่งบริจาคอาลอยิ่งให้ริสกีคุณเพิ่มขึ้นนะ เรื่องจนไม่มีอะนี่านความรู้ที่ผ่านนาบีนะอัลลอว์อัลลัฮหมดเลยตอนนี้มีข่าวมาเนี่ยรจิไหนในในโลกอาหรับนะชื่อสุลัยมาโ ร, รจิไห้เป็นคนจนๆจนคนหนึ่งแล้วกลายมาเป็นผู้จัดการเึ็นเจ้าของธนาคารที่ยิ่งใหญ่อยู่ในสวเอร์แนดน้องชายเขาสนิท ก, กับผม เมื่อยี่สปีสาสิบปีที่แล้วเนี่ยก็มาไประเทศไท ย, ไทยมาซื้อไม้หอมผมกบนานา็บอ ก, กนั้นนาบอกไปซื้อไววด้รปล่านั่นคนรวยนะแล้วก็มีขามนะออกมาบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคมีอะไรผมมีนามาตครับผมมีมัสยิดไม่เคยสะสมเงินทองเก็บมาทาอะไรเงินทองเยอนะๆไปแล้วมีก็บริจาคดูแลคนยากคนจนอย่างนี้เป็นต้นนะ อันนี้เป็นต้นนะตวลวงว่าลาหูมุลบุชรอสําหรับคนที่หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์กลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีนี่นะหนึ่งอ่านอัลกุรอานสม่ําเสมอนมายิขาดบริจาคสม่ำเสมอขอดุอาสมา่ําเสมอยึดรุลลอฮ์สม่ําเสมอติดต่อกับครัวญาติสม่ําเสมอให้อากไทกับคนสม่ําเสมอลาหูมุลบุชรอสําหรับพวกเขาจะมีข่าวดีข่าวดีก่อนตายครับ ฟังไปแล้วเจอข่าวดีฟื้นขึ้นมาเจอข่าวดีอีกอัลลอฮฺอักบารมันยิ่งใหญ่จริงๆริงห้ามอยู่แล้ ว, น, ลวนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดอย่าหลงดุนยาอย่าหลงดุนยาตัวแทนดุนยามีอะไรผู้หญิงเงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศห้ารายการถ้าหลงดุนยาไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮฺขาดทุนแต่อยู่บนวิญญาเพลินไหมโอ้โหอร่อยจริงจงเพลินจริงจ ง, จงอ่ะพอวิญญามาถึงขอหอยอายา รอวัดพัสดาจริงๆาะรอข อ, อกลับมาแก้ตัวใหม่รอไม่ให้แล้วอายุตั้งเจ็ดแปดสิบไม่ออกเลยกุลางก็ให้มาเล่มนึงไม่เคยอ่านเลย <laughs> เอาต่อไปฟรบัสชร์ไบอรจงแจ้งข่าวดีแกบปวงเบาของฉันตุลงว่าหลักการอิสลามเป็นหลักการที่ดีที่สุดนะครับต่อมาาญาที่18 ال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم أولئك الذين هداهم الله وأولئكهم أول و الألباب الذين ตั l งแต l เมื่อค a เรียนร l ้ที่จะรู้จักกับ a ระเ t ้าแล้ว วางตัวยังไงตอนอ่านคุร า, านขณะอ่านคุรานใจคิดอะไรมีความอยากไหมอยากจะอยู่ในทางนำไหมมันต้องมีอยากความอยากก่อนนะอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในอิสลามอยากจะเอาสุนนะบีมาใช้อยากจะเอารูปแบบนบีมาใช้ เอาคนที่อยู่ใกล้นบีแต่ไม่ได้ทำนำจากท่านนาบีมีเปล่าสาวว่าเล่าแล้วนะอบูอไรอบูตอเลตรู้ร่วมหน้ามาก่อนเลยว่าหลานเนี่ยชื่อม o ัม m m ัดเนี่ยตอนอายุสิสองขวบเนี่ยนักพรตเควรอฮิบ บาทหลวงของพวกคริสเตียนเล่าให้ฟังบอกว่าหลานคุณชื่อมุฮัมมัดเนี่ยจะได้เป็นนบีคนสุดท้ายวันนั้นอายุสิบสองขวบเล่าหาบูตอลิฟฟังก่อนแล้วบอกหลานคุณคนนี้จะได้เป็นนบีแล้วก็ต่อมานาบีได้รับตำแหน่งเป็นนบีอายุไราอายุสี่สิบลองบวกลบคุมหารดูสิ สิบสองกับสี่สิบกี่ปีกี่ปีนะสี่สิบยี่สิบแปดีใช่ั้ยแต่ลุงไม่มีใจแล้วก็สั่งว่าอย่าให้ยะฮูดีรู้นะ ทายาทฮูดีมันรู้นะมันจะส่งคนมาฆ่าหมหมัดจะเป็นนบีคนสุดท้ายของๆๆๆๆของของของอลัลลอ์เพราะในคำพีอินยีนซาบุตกล่าวมาไว้ขณะอยู่ใกล้นบีปกป้องนบีแต่ทางนำของท่านนาบีไม่ได้เอามาใช้ผ่านได้ไม่ผ่านไม่ผ่านให่ไหม สัาท่านเราเนี่ยไม่เคยเห็นหน้านบีก็จริงแต่เราเรียนสุนนะนบีจากอัลกุรอานจากสุนนะจากขะดีษเนี่ยผ่านได้ไม่ผ่านอิชอลลาขอให้ผ่านได้หมดอลยามาดูคุรานะยะนี้เตือนอัลลีนะยะตามิอุนนะลูกเขายะตามิอุนแปลว่าสะดับฟังตั้งใจฟังอย่าลืมนะตั้งใจฟังสะดับฟัง อ่านกุรานแต่ละครั้งเนี่ยทีมีการตั้งสิบอธิบายเนี่ยต้องตั้งใจฟังแล้วกใ็ให้สรุปให้ได้ว่าอาายนี้สอนเรื่องอะไรสอนลาวเนี่ยมันจะสอนแมวนะ <laughs> อัลลอีนายาสตาเมออฺอัลกาอลกาหมายถึงภาพํำรัดหมายถึงคำพิอัลกุรานฉะนั้น บรรดาผู้ที่สดับฟังพระดำรัสหมายถึงคำพีอัลกุรอานพออ่านแล้วอ่านให้ถูกตั้ชีวิตด้วยนะอ่ารูปความหมาด้วยไดย้ัพท์ด้วยอะไรด้วยอันตะฟฟุตตัฟซีนด้วยหลายๆเร่มเป้าหมายตรงนี้นะอ่านทั่วอะไรครับฟายัตตเบิอุนอิติบะแปลว่าปฏิบาตาัติ อ่านแล้วทำความเข้าใจกุรอ่านแล้วปฏิบัติตามอัลกุรอานเลยไม่ต้องพูดว่ากลับไปถามภรรยาที่บ้านก่อนไม่ต้องไปนึกถันไปถามโตอิหม่ามก่อนจะตามกุรอานเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ต้องไปประชุมก่อนเนี่อลอสั่งให้ไม่ให้กินดอกเวียต้องประชุมก่อนไหม อานคัรอานเจออัลล์มนี้อัลล์สั่งให้ลุขึน้นมาถหยุดกลับไปปรึกษากับเมียบอ ก, กขึ้นนีจะหลุดขึ้นมาถ้าหยุดกันไอย่างนี้ปรึกษาได้ฉะนั้นเวลาสรดับฟังตั้ง อ, อกตั้งใจฟังอัลกุรอานเมื่อรู้ความหมายดีแล้วฟ่ยจะบวนะแล้วก็ปฏิบัติาตามเลย ามาดูสับอาฮซานาูที่ดีที่สุดทำไมอัลลอ์เล่าว่าดีที่สุดเพราะว่าคำสั่งในพิคุรานแต่ละวรรคแต่ละเรื่องนั้นดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่าอัลกุรอานแล้วเห็นยังครับสบาใจไหมมันมีศสยุ่ฮัซาะนะก็ว่าความดีที่เราอ่านมาแล้วนะ อ, อาซานแปลว่าความดีนี่อัซซันแปลว่าดีที่สุดทัานอย่างครับแสดงคมภี่อุรแอนเนี่ยที่ออกมาจากยิบรีนมาเล่าให้นบีฟังที่บันทึกอยู่ในกุลแอนเนี่ยทุกวักมีนาดีหมดเลยนะไม่มีอะไรดีกว่าอุลแอนแล้วพีนองสบายใจไหมถ้าสิ่งที่นบีอธิบายเน่ยเป็นคาอธิบายที่ดีที่สุดมั่นใจเลยนั่นเดินตามกุรแานสบายใจไหมสบายใจ และ awa, at at am, ah o, í í, í อัลลอฮ์เล่าบอกว่าฟายัตตาบียอูน่พวกเขาปฏิบัติตามอัลซานาวูที่ดีที่สุดของอัลกุรอานอัลลอฮฺหุบอัลกุรอานเห็นับโลกอัลกุรอานดีได้ไหมดีดีที่สุดไม่มีอะไรดีกับอัลกุรอานคำพีทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยนะถูกสังเกตนาแก้ไขหมดแล้วยังมีคำพีอักุรอานอีกเล่มเดียว ที่หลงเหลืออยู่บนโลกดุนยาไปนี่ยังไม่ถูกสังข ย, นะยานายาฮูดีต้องการแล้วก็ อ, อยากจะเปลี่ยนคุรานแต่เปลี่ยนไม่ได้พยายามเท่าไรไม่ได้ไม่สำเร็จก็เพราะอัลลอฮ์เล่าเอ็มวาอาณาฉันรักษาเองท่านพินทังมุสลิมต้องสนใจกุรานอ่านกุรานให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของอัลกุรานคือ พูดง่ายๆว่ากูอ่านทั้งเล่มนันดีหมดอ่าไม่มีอะไรที่แก้ไขจะต้องมาแก้ไขามาสังคยนามไม่ต้องเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ก็เจอโอ้เจอทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่อ ง, ล ะ, องละเรื่องยอมรับกันหมดครับจะเป็นมุดลืมไป บ, บทละอินชาอัลลอฮฺมาด้บังคับนะชาะติปัญญา แต่นี้คนที่ปฏิบัติตามตามตา ม, ตามอาัมลลอฮ์ชมยังไงอุ ah ah um ลัยอิกาลาดีนาฮาดาฮุมุลลออัลลอฮ์ชมสองเรื่องอุลัอิกาเหล่านั้นหรือว่าเหล่านี้เหล่านี้บรรดาผู ah ah um ้ที่ฮาดาฮุมอัลล ชี้ทางนาพวกเขายังไ ม, ไม่ให้ตะไม่ให้ตะกรับบดด้วยนะเองมาอยู่ในศาสนาที่เข้าใจอัลกุรอานเข้าใจสุนนนาบีไม่ใช่สมองของเองเอลัลลอฮ์ให้สมองมาอาลัลลอฮ์ชี้นำคุณทางหากเราที่มาเข้าใจอายานี้และอยากจะปฏิบัติ ต, ตามอัลกุราอานอายานี้ใครชี้นาอายานี้สอนฮุดะฮุมุลลออัลลอฮ์ชี้นำพวกเขาเหล่านั้น คนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ก็มีครับฟาโร่นึกถึงอัลลอฮ์ไหมไม่นึกให้ตำแหน่งอะไรกษัตริย์กอรุณไม่นึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เงินฮามานได้ตำแหน่งข้าราชการเด่นที่สุดในวันนั้นน่ะรอดไหมทั้งสามคนนี่รอดหรือไม่รอดไม่รอดเลยเพราะไม่เอาอัลลอฮ์ใช่ไหม แสดเองจะเก่งขนาดไหนก็เชิญเถอะมีเงินเยอะมีชื่อเสียงมีตำแหน่ง ม, นนมีนู่นมีนี่มีผู้หญิงโว้หลายคนเลยกี่คนก็ได้เชิญตามสบายแต่ถ้าไม่เอาอัลลอฮ์อย่างเดียวนะบนดุนยาเนี่ยเองเพลินสบายอร่อยพอความตายมาถึงก็หอยอโยอย า, อยาฉันเสียใจแล้วอยอัลลอฮ์เนี่ออยอัลลอฮ์ชม คนที่ปฏิ บ, าตาบัติามอัลกุรบุคคลเหล่นานั้นเป็นฮาดาอมุลลออัอรงชี้นำพวกเขาใช่ไหมสบายใจไหมอัลลอชีนำแต่ต้องใช้ปัญญาเราด้วยอ่าต่อมาครับพออัลลอฮชีนำเราก็เล่าต่อไปอีกอุล่าอลาอกุมอลลั ล, ลบาบ และเหล่านี้หุ้มพวกเขาเป็นอูลุลอัลบาบคนที่มีสติฉลาดโอ้ไม่ได้ชวงว่าโง่นะพูดว่าเป็นฉลาดอันคนที่เป็นมุม่นเงินไม่มีไม่ได้เป็นมิลลิเนอร์เลยเงินมีอยู่พันร้อยสองรอยสามรอยล้านก็ไม่มีแสนก็ไม่มี เองเป็นคนที่ฉลาดเพราะเข้าใจอัลกุรอานปฏิบัติตามสุนนะนบีอลัลลอฮ์ชมคนอยู่ในทางนำที่ถูกต้องและฉลาดเอา ไ, ไหมครับสบายใจ <laughs> นึกถึงฮามานกอรุนมีเงินมีชื่อเสียรอดหรือไม่รอดสซนาบิลานมีอะไรสีผิวดงคนหนึ่งถูกลาก่าเพราะรับอิสลาม แล้วก็มาอาจานอัลลอฮฺบอัลอฺบะเบตนบีเห็นเดินอยู่ในสวรรค์ก่อนหน้าน บ, บีอีกมีอะไรจะนั่ง น, นึกแค่เยอะอัลลอฮฺอักุบะตจะนั่งคนท่ามีอีมานมีตักวามียะติง ม, มีอิสานมีอิคลามมีอัลกุรอานเป็นทางนำสำหรับชีวิตและมีสุนนะน บ, บีฮัมดุลิลลาห์ทารวยด้วยดีไหมดี ถ้าจนี้มีปัญหาก็เราก็ทำปฏิบัติหน้าที่ของเราถูกต้องแล้วถ้ามีพ่อ ม, มีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีวังระงวามตอบแทนจากอา l a h ทั้งหมดแล้วนี้อัลลอฮาบอกคือตับสิทธิ์อธิบายอย่างนี้นะครับคืออบู Darifari เนี่ยในคุ ต, ตูบี s ั l m a n Farisi เนี่ยก่อนจะรับอิสลามเนี่ย เรียนศาสนาทางคริสต์แล้วก็ยิวเรียนมาหมด แ, แต่พอมาฟังกุรานรับอิสลามเลยเห็นไหมผมก็สัมภาษณ์คุยกับคนที่รับอิสลามในเมืองไทยเนี่ยเป็นนน่นเป็นนี้เป็นมาเยอะแล้วพอมาเจอคุรานยองจำนน เป็นมุสลิมดีละคนละคนละคนละคนละคนลค น, นี่ก็เหมือนกันจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ชมอบูจาดีฟารีซัลมานฟาริซีอัมรุปนี่สชาบ้าน่ราไม่คุ้นรู้ก่อนที่คารับอิสลามกันเพราะเขาฟังคุรานเพราะฟังคุรานเปลี่ยนมิสไซย์ทั้งๆ ท, ที่เรียนศาสนาอื่นมาแล้วนะนะครับ แค่แมเพราะอ่านคุรานพรบหัวใจมาเต็มเลยอัลลอฮ์แบบว่าอีเป็นตนโอเคนะตัวรองว่าปฏิบัติตามสุนนะนบีอัลลอฮ์ให้ใจอย่างครับตามกุรานเลยอัลลอฮ์ชมว่าเอ็งอยู่ในทางนําที่ถูกต้องอัลลอฮ์ชี้ทางนําให้คุณสองคุณเป็นคนที่ฉลาดจะนั้นนึกถึงอัลลอฮ์เป็นคนที่ฉลาดนมนาจะขาดเปนคนที่ฉลาดคนที่ขาดนมาด ถึงอัลลอฮ์ชมน้าบีคุรานชมนบีอิสมาอินน่ะนบีอิสมาอินเป็นบุคคลที่บอกลูกบอกเมียให้นามาบอกลูกบอกเมียให้จ่ายสากาดมาทิ้ติแล้วอสอนนเตือนลูกเตือนเมียนามาเมีเงินจายจ่ายช่วยเหลือคนยากคนจนไปเอลูกเออเก็บไปทําอะไรเงินถ้าพ่อพูดแม่พูด อ, อ, อัลลอฮฺลกุอ์อัลบัตบริจาคเงินเยอะไหม ไปน้มาท้นน้มาท้อ น, น, อนลูกขึ้นน้มาลูกขึ้นน้ำม า, า, าจ่ายไปจ่ายไปลูกไปอัลลอฮ์ชมนบีอิสมาฮินอลัยฮุสสลามเป็นคนที่อบรมลูกหลานภรรยาให้นมาทและอบรมลูกหลานภรรยาให้บริจาคให้จา่ายและให้ใหอภัยกับคนเยอะๆอย่าไปโกรธกับคนให้อภัยกับคน Allah Allah pujai yang ini. Tapi ini lahiran kebikoan. Ato 马来 aja t19. Afaman hak عليه kalimatul azab. Afan ta'untuizumah finar. Afaman hak عليه kalimatul azab. าฟาอันตะตุงกิจูมังฟินนาลอัมดุลลแปลว่าฮักก็แปลว่าสมควรการิมะแปลว่าวั จ, จนะอ่าหรือถ้อยคำอลาซาบการลงโทษตองการจะแปลว่าผู้ผที่ วัจนะแห่งการลงโทษสมควรแก่เขาแล้วนั้นเมื่ออัลลอฮฺตัดสินให้คนคนหนึ่งลงนรกพูดง่า ย, ายเมื่ออัลลอฮฺตัดสินให้คนคนหนึ่งลงนรกสาเหตุที่ลงนรกอัลลอฮฺตัดสินเพราะเองไม่เอาอิสลามไม่เอานาบี ม, มุฮัมมัดในยุคเรานี้ไม่อ่านัานาลกุรอานมาศึกษาอัลกุรอานถ้าในยุคก่อนก็ไม่เอานาบี ยกน บ, บี ม, มูซาก็ไม่เอาน บ, บี ม, มูซาเอาฟาโรเอาฮามานเอากอรูนเป็นเพื่อนในการดำเนินชีวิตบลาลัยหมดเลยเ <c oughs> มื่อลอตัสเสแล้วอัลลอฮ์ถามมาว่าอาฟาอันตะมุ h ม m m ตุงติโจจะช่วยให้เขาปลอดภัยมันฟินนาริผู้ที่อยู่ในนรกหรือ คุณน่ะช่วยได้เลยคนที่ตกตกตกนรกแล้วช่วยไม่ได้จะช่วยได้ต้องมีผลงานของตัวเองอนบีแค่ชฟ้าได้ถ้าตกนรกไปแล้วนี่น่ะเอาออกจากนารกไม่ได้ถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในสวรรค์เนี่ยอัพเกรดได้ ถ้าเราอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ห้าสิยกตัวยอย่างเพราะสวรรค์มันร้อชั้นใช่ไหมพรพวกอยู่สวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นหมดเลย อ, อย่าล้อต้องการจะอัปเกรดไปอยู่ชั้นสูงหน่อยก็ต้องไปหาอับมมดุลบาบานบีครับนบีจ๋าช่วยผมหน่อยครับเรื่องอะไรนี่พระพวกไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นสูงหมดแล้วไอเราดูชั้นต่างๆช่วยอัพเกรดนะหน่อยอัน่านี้ช่วยได้ แต่อยู่ในนรกให้ออกจากนรกน บ, บีช่วยไมวยยหมล่ะไอยะนี่ยเห็น่างเตือนยังอืมผู้ที่วจะนะแห่งการลงโทษสมควรจะเขาแล้วจะรอดพ้นกันนั้นหรืออ่าและอาฟาอันตตุมกิดุมาิสินาและมุฮัมมัดเจ้าเนี่ยจะช่วยผู้ที่อยู่ในนรกได้รอดหรือ ช่วยให้รอดหรือช่วยไม่ได้ถ้าจะช่วยให้รอดต้องให้คนที่เป็นมุที่อยู่บนโลกโดุนยาวเดินตามนาบีสิแล้วก็รอดเดินตามกรุรอานรอดเดินตามนาบีรอดถ้าไม่เอากรุรอานไม่เอาสุนนะนาบีไม่รอดครับโอนหนักนะนะครับอาทิอฐานย่าสุดท้ายนะครับอา่อาสุดท้ายแล้วก่อนอย่าที่18มีอยู่เรื่องหนึ่งนะ เขบคนเนี่ยนะเวลาคาว่ายั ส, ยสตามิอุนเนี่ยได้ยินเนี่ยสดับฟังกุณอาแล้วสดับฟังคําคพูดของประชาชนเนี่ยถ้าดีเอาของดีของเขาเนี่ยเอามาใชา้ไม่ผิดเดี่เรนั่งคุยกันมากคนนี้พูดจาดีพูดอย่างนั้นอยนั้นฉันหันยาพยคนฉันนุ่งฉันีเออพูดจาดี เอามาใช้ได้ไหมได้แต่ตรงนี้เน้นเรื่องอาแอุลามะอิบอัตอธิบายว่าใครก็ตามที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยถ้าเขาพูดจาดีเอาคำพูดของเขาบางคำถ้อยคำบางคำมาใช้ได้ไหมได้นั่นแหละก็เรียกว่าฟังของที่ดีที่สุดคำพูดของเขาที่ดีที่สุดเอามาใช้ได้ไม่ผิดอายะที่ยี่สิบครับถ้าสุดท้าย Laki nila di nata k a u Robbahum, lahum Guraf, m e w a w u n g k i h u r a f m a b n i y a h tajrimin tahti hal anhar, wada l l a h la yucli fu l l a h u l mi'ad. ลากินอันที่นักตั้งร ف บกับลมแล้วมุ ه وَ غُرَفٌ م َّ ب ْ ن ِ ي َّ ة ร تَجْرِي م ِ ن ยะตัดเรีย ا มินใต้แห่งอันห์ร์ว่ ل ดัลลอห์ลาหยุ่อคลิ ل ุลอห์ลมีอา ع َ ا د ด الحمد لله يا س ทาห์ร ن น มันมีอิตะกูใช่ไหม อ, อธิบายแล้วนะอิตะกูนี่หมายถึงไม่ทำความชั่วทั้งที่มีโอกาสทำความชั่วมีความสามารถจะทำเพราะเคยทำมาแล้วแต่วันนี้เต้าบาตัวแล้วไม่ทำแล้วน ะ, ะอิตะกูนะส่วนอีมานนี่หมายถึงฟังศาสนาเยอ ะ, ยอะๆมีอิมาน อยากจะทํานู่นอยากท ged, ําเนีนทํานี้ทํานี้ทําเรื่องดีๆหมดเลยส่วนตักว่าไม่อยากทําอย่าง ux, au, นี้ไม่ทําอย่างนี мире, menos, less, less, less, less, ้เคยทะเลาะกับพ่อแม่เด <and> yes. ี๋ยวนี้ไม่เลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาเคยทะเลาะกับภรรยาเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเคยตะวันลูกวันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลิกเลิกเลิกเลกเที่หมดที่บ้านมีเสียงเบรเลิกเลิกเลิกเลิกเพราะชัยตอนเข้าบ้านโควิดเข้าบ้านน่า พอเขาสองกล้องแล้วไอ้โรคโควิดมันใหญ่ตัวเพ่อะอะไรนะพ่อมิวสิกนั้งเปิดกูารานเปิดกูารานเปิดเปิดอะไรนะเปิดเสียงอาดานเยอะๆในบ้านเมื่อก่อนนี่เพลงเพลง เ, ล ง, เลงเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนี่เขาเรียกว่าตกว่าอ่าลากินิลเดีนัตตะเกาลากินแปลว่าส่วนผู้ที่อิตตะเกาอะไรนะ สำมวมตนจากความชั่วรบบ่ามต่อพระผู้อาภิบาลของพวกเขาคนที่มีตักวาเนี่ยทำตัวไม่ทำชั่วเนี่ยได้อะไรที่เราออกหางจากความชั่วทั้งๆที่สามารถทำร่างกายก็แข็งแรงพวกก็มีจะ ก, กลางขนาดหนายก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่กลางแลว้ว คนที่ระวังตัวแบบนี้ลาหุมนี่คือรางวัลละสำหรับพวกเขานั่นกรฟุฟกรุฟในเป็นพอะอูพจน์คาว่ากุฟฟาตุนแปลว่าห้องทีนี้ปามาแปลว่าไรนะวิมานสวรรค์มีสวรรค์ตอบแทนอัลลอฮ์ใช้ภาษาบางทีกับจันนะบางทีกับกรฟุรฟกรุฟแปลว่าห้องแปลว่าวิมาน วิมานแปลว่าอะไรวิมานแปลว่าที่ประทับหรือที่อยู่ของเทพเทพของของของเทวดานี่ภาษาไทยนะรับเอาใหม่ของผู้ศรัทธาต่อก็จากนั้นคนที่อยู่บนดุลยานี้เลิกทําความชั่วทั้งๆที่โอกาสจะทํามีมีตอนนี้เลิกหมดแล้วพวกเขาสําหรับพวกเขาไม่ไร้นะมีวิมาน เมมฟาอกีซึ่งเหนือไปอีกก็มีวิมานอีกวิมานเหนือพวกเขาก็มีมีห้องมีวิมานมับนิยตุนถูกสร้างเอาไว้มับมาจากบานาประวัดสร้างมีห้อง แต่ห้องมาเล่านี่นะ่มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ใช่ไหมสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปยึตตังการจะเล่าว่าในสวรรค์นั้นมีหลายชั้นอ่านอธิบายอย่างนี้ลาฮูมฮูรอฟสำหรับภูเขานั้นมีวิมานมิมฟาวกีเหนือภูเขาไปก็มีวิมานมาบนียาตุนที่สูงสร้างเอาไว้อละลจัดไว้แล้ว วิมานน่ะสวรรค์น่มีอย่างนั้นมีแล้วนรกก็มีแล้วลองเล่าให้ฟังอายนาที่ผ่านมาใช่มหมยาที่สบหกเนี่ยซิลลุนใช่ไหมน่ะรอลุนซูลลมิมเฟาเกฮิมเหนือภูเขาก็มีเงาของนรกมีไฟนรกใต้ก็มีมีไฟนรกในสวรรค์ก็เหมือนกันข้างบนก็มีสวรรค์อีกในนรกก็มีหลายชั้น สวรรค์ก็มีหลายชาตินิ่งกอาดอย่างนี้ครับสบายใจไหมสบายใจเอาต่อมาครับพอมีสวรรค์นเนี่ยใต้สวรรค์มีอะไรครับตั้รือันธารมีแม่น้ําไหลสายไหลผ่านแต่ในนรกแม่น้ํามีไหมไม่มีมีอะไรครับมีไฟเอาเลือกเอา ถ้าใครต้องการชีวิตบนดุนยาแบบสบายๆมาต้องลุกขึ้นมาตหัจยุดเลยนะไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาโรชลุลฉันจะอยู่แบบัยตอนตามอารมณ์สบายใจทำอะไรก็ได้นะเองจะเจอไฟข้างล่างก็มีไฟข้างบนก็มีไฟถ้าอยู่บนดุนยานี้ระวังตัวเองให้ดีเรียนศาสนามาอ่านกูรอ่านอ่านตัฟซิดเข้าใจกูร์าน บาปเลิกให้หมดคุณจะได้วิมานสวรรค์ข้างบนก็สวรรค์ข้างยึ่งตายก็มีสวรรค์มีสวรรค์ข้างล่างมีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่านนรกมีไฟไหลผ่านอะไงเข้าใจยากเนะี่ยเขเข้าใจง่ายไม่เข้าใจแต่กูไม่อยากเข้าใจกูจะทำไม่าเชิญตามสบายเชิญเบอรไม่เอาก็ได้อลลองไม่ว่าอะไรมันจะบังคับด้วย อาตอมาครับว่าดัลลอสัญญาของอัลลอฮ์เห็นยังครับที่เล่ามาทั้งหมดนี่เป็นสัญญานะและสัญญาอัลลอฮ์เป็นยังไงครับลายุคล oh ิฟุลลอฮุนียาลายุคลิแปลว่าไม่ผิดไม่คัดค้านไม่ผิดอ่า ไม่หลงทางอัลลอฮอัลลไม่บิดพริวอ่าอัลลไม่บิดพริวไม่เบี้ยวมันง่ายๆนะ <S <S ละยุคลิฟุลลอฮอัลลอฮไม่บิดพริวอัลไมอาตะวะสัญญาที่สัญญาอาว้ยที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดไม่บิดพริววันในสวรรค์ข้างบนมีสวรรค์ข้างล่างมีน้งไหลผ่านมีน้งก็่สีสายไง หนึ่งนำอะไรนำน้ำพึง่งสอง น, ำ, น, ำ, นำอะไรน้ำเหล้าสามนำอะไรน้ำนมค่อยดื่มน้ำสะอาดนี่สัญญาเอาไว้ในนรกข้างบนก็ไฟข้างล่างก็ไฟเอาไงเลือกเอา ถ้าเดินตามอารมณ์เจนอนรกถ้าเดินตามคําสัง่งอัลลอฮฺฝืนอารมณ์เจอสวรรค์อย่าลืม嘛ทําตามอารมณ์นี่มันอร่อยไหมอร่อยสบายใจไขขวางหู <c oughs> จัดการอันนี้พูดขวางหูจัดการมาเลยถ้าอยู่แบบนบีต้องฝืนบ่าต้องฝืนอารมณ์อบูยะฮันประกาศบอกว่าตอนอยู่ที่มักการนาบียังไม่ตายนะ ม่ชายอยู่คนหนึ่งเวลามันเดินตามหลังเนี่เอ็ต้องเดินไว้อย่าให้มันเดินตามเวลามันยิ้มอย่ายิ้มตอบอันที่สาวเวลามันให้ขอบอย่ารับผูดทุวันทุวันทุนเขาก็มาถามว่าคนนั้นเงาใครมอมหมาทานฉันเองแหละมันพู้จาวานไพร่ ใครคุยกับมันลราเครื่งหมดรับอสลามดีเราคนลราคนลราคนค น, คนบีไม่เคยให้ไม่เคยโกรธใจใชจเลยไม่ใ ช, ใช่ผู้หญิงเดินมาหน้าบ้านจะขอ บ, บัตเป็นผู้หญิงใช่ไหมเอาขยะใส่ที่ศานาบีนบีโกรธเป่า <c oughs> ไม่โกรธนี่นะครับอ伊斯兰ไงท่านท่านเลยสั่งว่าเวลามันให้ของเองอย่ารับหน้า เวลามันเดินตามหลักเอ็นเดอร์เดินไวๆไปเลยเวลามันยิ้มยายยิ้มตอบอย่าไปคุยกับมันโอ้โหมันที่ไหนได้มูฮัมมัดเอาอัคลากนับีประชัยพวกเรานี่แหละวันนี้ละอิชาัลเราให้อภัยคนเยอะๆเหมดเวลาครับอัลลอฮฺอาบุลฮุสซุฮานะกัลลอฮุมัลบิฮัมดิกะชาลาอิลัยฮิอิลัยอันตะอัตตะฟิลกวาตุบิย ข ل สักราช ullahu ala m u h a i م ن ل ل ه رب العالمين